ในใจในการที่จะไปเทศนาโปรดชาวท้องไร่ท้องนาทางเหนือจากนครคนน่เราจะไปเอาหลักเรื่องหลักวิทยาศาสตร์หลักปฏิจจสมุปบาทหลักธรรมะถึงขีดมาพูดเปืการเผือการเราตั้งแองในลักษณะใช้จิตวิศยาคือสอนให้การหวังคนเหล่านี้คนเหล่านี้ปกติมนชีวิตประจาวันก็สวยมากุณสมญาคุณเมอยู่แล้วอาจจะขัดัดเส็นหรือนปัดใจตอยู่แล้วเราจะไปยกระดับจิตให้เข้าถึงอริยสัจให้เข้าถึงธรรมะท่านเลวศิระเนี่ยยาก นอกจากว่าจะมีอาจจะมีผู้ที่มีอินซี25อยู่ด้วยกี่คนท่านนั้นหรอแต่แว่าคุณคณนส่วนใหญ่ล่ะเขายังไม่ตัง้งใจอู้หันเอาอะไรสุดยอดทำมาเพราะฉะนั้นในขั้นเรื่องต้นเราต้องพื้นฐานของศรัทธาศรัทธาที่ว่าเราจะฟื้นฐานก็คือว่าพื้นฐานย้ําในเรื่องศัทธากระจายศรัทธาให้เต็มหนักแล้วก็หลักเรื่องรับประสงสารดังที่ทีผมได้กลาวเรียนมาแล้วลลว่าเราก็ประสงสารแบอเราสอนให้คนเหล่านี้เขามีความหวัง ว่านะอาการที่เขาอยากจะได้รับอยู่นะ่นะ่ะมันเพียงของเฉวตาวอาการลำบากกับเินที่เขารับอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นของเฉวตาวาถ้าเขามีชีวิต ท, ทำดีเขาจะได้รับสิ่งตอแทนในอนาคตนี่อันนี้คนเราอยู่ด้วยความหวังครับ อ, อันนี้คือหลักิติทยาที่เขไปยายามรับอยู่ล้ถ้าคนที่ไม่มีความหวังเนาะหมดอะไรไปอยากในชีวิตไม่อาการที่หมดอะไรไปอยากในชีวิตนี่มันจะอาการวิตถิชายาในผ้าวิตถิชาแต่อาการหมดอะไรไปอยากเป็นอางรอาการหมดะไรไปอยากในชีวิตนี่ย เาักษณะเป็นวิทยาปัญหามีความอยากแต่ไม่อยากเพรามันไม่ผมอยากแล้วมันก็ซกเก่าอาการา น, นั้นเป็นมีวนเป็นอาการของอเรียกว่าเป็นกุพัฒัดเกิดความขุ้นสร้างขึ้นแล้วก็เกิดวิปปิสาอนอานารานี้ที่เกิดหมดอะไรแต่อยากในชีวิตนะเกิดความเล่ารอ้อนอาการเาเล่าร้อนที่ไม่อยากจะมีชีวิตในสังคมหรือไม่อยากจะทนต่อการลําบากลำเลำียนที่ได้รับอยู่เพราะฉะนั้นการสอนธรรมะที่จะให้เข้าถึงประชาชนชาวบ้านธรรมดา เราก็ต้องสอนแต่ให้ชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยเขามีความหวังให้ปลอบใจให้เขาทำชื่นก่าการทากรรมดีอย่างนี้เขาจะยังได้รับสิ่งตอบแทนในประพศในครนี้ก็ได้รับแล้วคือเป็นคนดีในประทศยังได้รับยิ่งกว่าให้รับพุกุลใจครับล้วก็ต้องเล่าศรัทธาให้พะวาทั้งกขาฝากความหวังม้เนี่ยสมุทัย่าอยากาความหวังไว้กับบุคคลให้ฝากคาหวังไว้กับพระสมมาสมุทัยจ่าให้มาถ้าเราทาดีแล้วพระสมาสมุทจกาก็จะัย เรต้องใช้จิตวิทยาการพลิกแปลงในการสอนอย่างนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องย้ำในเรื่องของเรื่องพระสงฆ์สารที่ได้ปะกาศไปยังหน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้พระสก็อยากจ ะ, ะมีม่มลท่านพระคุณเจ้ารูปใดที่มีข้อข้องใจในเรื่องการยืนห้ายตายเกดหรือหลักข้อหลักข้นที่สูจอะไรในทางาที่เราจะพิสูจน์เห็นว่าชาดิหน่มีชาตไม่มีมีท่านพระคุณเจ้ารูปาดมีความข้องใจอะไรบ้างหรือเปล่ามีท่าพระคุณเจ้ารูปหนึ่ง ถามว่าปัญหาเรื่องทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไมในสังคมปัจจุบันนี้บางคนทําชั่วกับได้ดีบางคนทําดีกับได้สิ่งตอบแทนซึ่งกานชั่วเพรเรื่องอะไรเพราะหลักการอันนี้สิครับแสดงจิตอ่อนในวงการพระศาสนาเราในประเทศไทยคือเราชาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้แจงหรือเล่าใจหรือปลูกความประทับใจในเรื่องกดแหงกรรมเข้าไปลึกลาบในจิตใจประชาชนวนใหญ่ประชาชนทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวหมือง มักจะถือว่าถ้าคนที่โกงไม่เป็นก็นคนือคนโง่ถ้าขาวิจัยขชาติข่าวิจัยมาแล้ววิจัยบอกว่าทุกเราวันนี้แหละที่มึงใครมีปัญหาคอร์่มากก็เพราะว่ารัฐป ก, กครองและผู้ใหญ่แล้วก็ผู้นักการเมืองกลุ่มนึงถือกันว่าคนโกงไม่เป็นคือคนโง่แต่ท่านโดยเพราะท่านเป็นกรคือคนฉลาดที่ทั้งขมยุทธ์จองทั้งนี้เพราะไม่เข้าใจประเด็นปัญหาในหนึ่งกดของกันในการตบปัญหาข้อนี้นะครับ เราต้องแยกประเด็นตอบครับต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ตอบเพราะว่ามันหาผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่ใช่ผลคือรส่งเก่งรุ่งตึกหรือว่าอันนี้ภริยาจันทร์มา ก, มากหรือว่าทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินโชคลาเหล่านี้เป็นเพียงผลพอยได้จากกรรคือความดีความชั่วไม่ใช่ผลโดยตรงไม่ใช่วิบากโดยตรงไม่ใช่พลานิสงโดยตรง ของกรรมดีกรรมชั่วกหาหม่ประเด้นผนโดยตรงกรรมดีกรรมชั่วคืออะไรละ่ะขนโดยตรงกรรมดีกรรมชั่วก็คือว่าความตกใจความสนุกใจถําทำอะไดทําไปแล้วเกิดความสนุกใจเกิดเกิดความไม่เส้นซ้านในใจกรรนั้นชื่อว่าทําดีทําอันไดทําไปแล้วเกิดความวิตกติสานใจเกิดความไม่สิ้ใจกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วอันนี้เป็นขนโดยตรง แล้วก็ให้ el, ผลทันควันในขณะที่ทากรรมนั้นขณะที่ทำหรียกว่าผลทันทีอย่างนู้ขภาษาหภิธรรมเรียกว่านานาคณิกรรมคือกรรที่เหตุผลทุขณะภาษาเชตวิชย์ทางิธรรมเรียกว่านานาธรมิกรรมะเราไม่ต้องรอผลว่าจะต้องรอเอาชาติหน้าหรือรอเอาเป็นรถเก๋งหร้อเอาเป็นไปไม่ใช่รถเก๋งจเป็นเพียงผลป่อยได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำกรรมชั่วอาจจะได้ฝึกอยู่หลังเร่องตรงนี้อาจจะมีรถเกงขี่เป็นจำนวนติดทานก็ได้ พรารถเก๋งกับรดนั้นไม่จะผลงต่ำชั่วแล้วมันจะผลงตํำดีแต่เป็นผลเทยได้ที่มันจะเป็นผลโดยตรงผลโดยตรงคือความโกรใจความอิ่นใจกับความตึ้นตัใจความเดือร้อใจที่เป็นผลโดยตรงนะครับอธิบายทาความเข้าใจกับประชาชนในแง่นี้ให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปวัดผลตำโดยกำชู้หร่อว่าเก๋งหรที่ป็การบันทอที่จะัไม่ใช่รถจักรถกงใันจะผลโดยตรงไม่ใช่เลยยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับกตัอย่ ที่ได้ั่านมูลขึล้นมาแนั้มหาวิทยาลัยพอเราถามบอกว่าผของการศึกษาของนีเนเนี่ยคืออะไรเราจะเป็นเองบอกว่าผลก็คือปริญญาบัตรคือได้รับมาจากนักเรียน<อ>ผมทั้งนั้นไหนผพปริญญาม่ไห้ผอไรได้วันจริงผลจกการศึกษามาเริ่มให้ตั้งแต่วิน า, าทีแรกเรียนต่อข อ, ข อ, ขอต่อกาแล้ว คือการฉลาดจะเกิดขึ้นทุกขณะที่เรียนออกตัวนี้กอไก่อ่านจากกอไก่เี่ขอไก่การฉลาดไมเกิดขึ้นแล้วาทุกการที่มันฉลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่านก็อขอออกเนี่ยเป็นผลล้ผลจากการศึกษาด้วกำดีที่ละมีคนนั้น ป, ประกอบแหละพอถึเวลาคอย อ, อีก25ไม่จะรอคอยให้เห็นเป็นทฤษาธรรมเวทาาัญญาขานี้แหละนี่อาการนีงเป็นเป็นเ็นผลโ ด, โดยตรงวามฉลาดที่เกิดขึ้นทุกเดือนทุกปีทุกวันที่ผ่านการศึกษามานเป็นผลผลโดยตรง เป็นการสวมสืกคุยปริญญาเอ่ยทางานเป็นคนหน้ากองชั้นเอกชั้นตรีชั้นโทชั้นพิเศษเอ่ยนั่นเป็นผลพอยได้เป็นผลพอยได้ที่สั่งผมมาจากตั้งแต่ตัวเป็นนักเรียนชั้นตขึ้นมาเป็นบัณฑิตชันแล้วก็ได้สิ่งนั้นเป็นเครื่องตอบแทนคราวนี้ในประเดตรงข้างกับการชั่วคนโกงเ้ามีรถเงขีมิติกราอยู่นั่นแะเป็นผลการโกงไม่ใช่เป็นผลของคนคุณนั้นทาดีไม่ใช่ เป็นผลการโกงเพราะการโกงนี่แหละทมไห้ได้ก๋งขี่เราต้ออธิบายให้คเข้าใจถูกนะคนไหนโกงเก่งโกงเป็นร่องอาสัยให้รถจัก ร, รนกขึ้นกดบางกามช่วงตัวคนนั้นจะมีโอกาสล่ำรวยมากเพราะนั้นการล่ำรวยจากการรถเก๋งขี่มีสงครามอยู่นะไม่ใช่ผลกรรมดีแต่เ็นผลการโกงอย่างถูกองอยากได้ไม่เห็นเลยว่าอยากเข้าใจผิดนะว่ารถเงกะ บ, บ้านช่องที่อยู่นี่นะ เป็นของดีรถถูม่านท่อนที่อยู่กินผลมันจะทำกำามชั่วก็ได้ยกตัวอย่างไว้ยกตัวอย่างพี่เดียบว่าเจิน้นเจิ้นที่ไปเป้นซื้เงินทองเอองข้ามาเนี่ยรวอทันตาไหมรวยทันตาสิพอลงทุนเงร้อนไอ้ถือฮาวาไปถึงจะบุกเอบุกเอาคุณเอาขุณเอากลับมาก็แบ่งเงินทองกันก็ได้นี่แห ล, ละผลแ่ะแล้วย่างนี้เลยเราจะบอกว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วการที่เขาทำชั่วได้เงินทองมาไอ้เงินทองอันนั้นไม่ได้ถึงของกำไรใช่ใช่แต่เป็นผลกําชั่วคือไปเปิ้ลเข้ามา คนมาก็รวยเื่อันตาเหมือนกันเพราะนั้นเราก็อธิบายว่าความรวยน่ะไม่จะผลกรรมดีเสมอไปนะความรวยก็จะผลกรรมชั่วก็ได้อย่าเข้าใจผิดจะได้ไม่สับสนในเรื่องว่าเอำดีแทบตายใื่องนชันทาดีแทตายในเองอื่นป่าใ้เขาขึ้นทาดีสื่อสาแทบตายอย่างี้รถเสงี่ยี่อีกคนหนึ่งโให้าอก็เอาไปสร็ไปเช้าไม่นานกมีลถเงี่ยมมเลยน่ะเราก็อธิบายเขาต่าไวอ้ีรเสงีาเลยน่ะเป็นผลกรรมชั่ว ไม่ใช่ไไม่ใช่ว่ากรรดีแล้วมันีเฉงถีคนทำกรรมดีแล้วมันมีรถเงถี่ลายชาติตัวนี้แต่คนที่กมดีเนียไม่ใช่อยู่ที่ตัวรถเฉงมันจะอยู่ที่ตัวติรมไอ้ตัวเฉงตัวรมเนี่ยเป็นเพียงรับูกพ่อกระพันภายนอกซึ่งเกิดได้จากคนที่ฉลาดคนฉลาดฉลาดกินฉลาดกินฉลาดทำนะถ้าลำพังเพียงแต่คนทำดีอย่างเดียวถ้าเล่าตอนฉลาดแล้วจะให้มีไอ้พ่กรพันเหล่านั้น ไ, ได้ห แ, แต่คงทำดีนะี่ยให้แล้วนะให้ขนะที่ทำทุกขณนนะให้แล้ว แต่เราจะแล้วให้มีผลใครอย่างนั้นอ่ะท่านท่านมีความฉลาดอีกขั้นหนึ่งและความฉลาดอันนั้นกกน่ะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ต่อเป็นผู้มีกาลนดูตาปริสันดูตาอัตตันดูตารู้จับประมาณเต็มทุอย่างต้รู้จักสตฤสธรรมถ้าไม่คนที่ไม่รู้จักสตฤสธรรมไม่มีสังขารวัตถุีถึงไม่จะให้ทำดีถัดไปจะปไปหวังเหนายเมืตาลักษณ์ใคร่เห็นมีตาข่ายขั้นใครอกขันอย่าไปหวังเลยอย่าไปหวังถึงไม่ตัวอย่าง เราไม่ขอรับ <Wasn> ผ <'t S 1> ิดเราเป็นผ้การท่านเหน่หนไม่คอรับผมีความผู้กับานงานแต่เราขาดบริษดตาขาดอัจรยิจตายกตัวอย่างเช่นนย้าตํนรจฝ่ายงานอยู่เราขาดอัจาริจตามีตั้ตังเข้าไปเสนอความเห็นกันายเาไม่เรียกร้องเขาไปเสนอความเห็นให้กันายนามครับารใ้เห็นในเรื่อง้ว่านี้ดีกว่านะมอกวานะหรืนายของเราสืบที่หน้าไรแล้วไม่ให้หมอนีง่ายขออภัยครับเรียกเาเยกมปเรื่อง คุณใหญ่ก็ไม่ไดพูดไอ้นี่ไม่ใช่คุณน้อมาเสเขาเล่นนเรือที่หน้รแล้วเอ้สคบตานี่นล่จะมาเรื่องขั้นในเรื่องไหนคุณคเล่นหน้า่านี้ใน้าเนังมนรู้กักสที่สมรู้จักประมาณตนนี like ่เพราะฉะนั้นีคนนี้น่ะจะไป้าแม้คุณชื่อสัะแคบตายถึงตีเรื่องขั้นผมกำลัดีนี่าไม่กกดีคือความถือเจ้าเนี่ยทให้เจ้าจิตใจที่เจ้าเนี่ยไม่เรื่องมอมมมีขผใจต่ในขณะเดียวกันเจ้าขาดธรรมะส อัตตาลิปตาามประมาณเป็นนิจเจ้าไม่มีเจ้าเปบคร่องไม่เจ้าบุค้อยู่เจ้าก็ไม่ได้สิ่งที่ควรจะเกิดจากการนิจเจประมาณเป็นที่นั่นคือควาที่เราถใจอากที่จะเขาเป็นาเพราะฉะนั้นสือเขาก็ไม่ยอมท่านใมีความมีใคขึ้นัวตึงเตะตึงไป้ามีใครขึ้นหลุดหอยกอีกตัวอย่างบ่าอีกตัวอย่างหนึ่งขาดริสันต์ตาไม่รู้จักบอกใบ้ว่าสังคมนี้ขณะนี้เขากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่เขายักลังโยมอะไรกันอยู่ เรขวางกขที่นต่ไปขวางเขายกตัวอย่างสมัยทีว่าสมัยระหว่างสงครามจริงๆในขณะที่รัฐบาลสมัยนมีการโยมว่าหึงเป็นเสอมาลาฆ่าเจริญยกตัวอย่างนะแต่นี้เราจะเป็นขั้องการตื้นตับเกิดข้นขนหมาราขึ้นมาอ้าขปริสันตามูเขาต้องการหูมาลาฆ่าเจริญเพราะว่าถ้าไม่ขับขวางหมาา่ามัจเริ่นขับปริสัตาล่ะถึงแม้จะให้มีสที่เิ็นตกเคียนไหน าเขาเข้าไปเ็นคันใเตัวแล้วจะมาโทษเราแม้ทาดีเขาตายจำดีสนองไม่ตายสิไอ้กามเดืนนี่หละหลาย้านมันต้องทำดีทำให้ดีทุ้านเดียวจ่ขาดในข้างด้านไหนบ้านไหนไม่ได้อย่างว่าจะต้องมีสัพทิตธรรมเข้ามาสมบูริ์พาศัพทิรธรรมมาสมบูริแล้วลาพังเพียงแต่ทำศัทิตธรรมทางกายวาจาใจเนี่ยไม่พอไม่พอไอ้คำว่าไม่พอในที่นี้น่หมายความว่าเราลพอได้เน ป้องการ น, นื่หนะ้ามีตาป้องการเลื่อนขันป้องการมีลดขาป้องการมีลดถึง อ, อย่างนี้คือผลไถ่ดาวไม่ใช่ตัวกรรมผลมดีเดยโดยตรงแต่ถ้าต้องการตัวผลดีโดยตรงเราเราก็มีแในคำนึงเพราะเรามีความสุขภ า, า, ายในทีหลรกเปลยนแปลแล้วอย่างนี้จะอตัผลป้องกาโดยตรงเนพราะนั้นเราต่อที่ใดในประเด็นนี้ครับอยากประเด็นใหถูกครับว่าําพังการพิู่อย่างเดียวต่ทำให้าาคนเดียวไม่ได้หรอกผลการพลา รู้จัขลาดโวยการละขลาดโดยเจตัะขลาดโดยีคนขลาดโดการประมาณตนประมาณท่านประมาณบริษัทและวางตัวให้เหมางสมคนที่ม่ยอมจุมษ้าเลยมีแต่ามตี่อย่างเดียวนะ่ะเปนมั่งคิงใหญ่เป็นจน้จาไหมครับเต็นะะไม่ว่าเพราะฉะนั้นความดีน่ะต้องทำทุกว่าอาไม่ครบถ้กเช็นเยี่ยงไปทำสุกสุบิบิตคล้ายๆถึงข้าเนี่ยสกุสบิแล้วเราจะมากินให้ร่อได้อย่างไรไ่ไ ทำ้็คำจริงแล้วเราทาประกอบทุกเวดทุกทุ่ให้เบี้ยวเาเป็นบกขง้านใดบ้านหนึ่งผลของคำดีก็ให้ผลยันยันต็มเตจะให้มันเตมึเมเหนืออย่างเระหวังเรไม่ได้ทึ้งเรื่องคำท่วมืนกันคำื่อมก็ต้องทั้งคำดีละคำท่วนี่แหละครับสรูกแล้วมันก็มีจังหวะมีที่มีเหวมันมีผู้หนึ่หนึ่งเอธิบายผต้องคำดีคำทั่วทีเขาเห็นแล้วแล้วก็อธิบายอีกหนึ่งบอกว่านอกจากนี้แล้วการขนองของําดีคำทั่ว มังต้องอาศัยผิวอาศัยบาระของมันคล้ายๆคนที่จะไปไปงภาพยนยเนี้ยจะไปใช้คีกันไม่ได้ใครถึง ก, ก่อนก็ต้องให้ถึงก่อนให้คีวมันาเรามีอนากระพันสยานอาตีตันสยานเราก็จะมองเห็นว่าอ๋อ ม, มีกำลังเคลืน่นะมันให้ผลเป็นล็อกลอก็ๆกลกมาเรื่องนี้ที่จะไจะให้พลาดเ่งนี้สามารถที่จะสา ม, มารถตัดคีได้ ท, ท้อยู่ไกล้สุดแล้วก็ไปคียอยู่ห้ า, ากุดน่ะจำนั้นตกเป็นขลุกขัน ขรุกกรามป่าอุศนได้แต่ปัญจมันปริยกรรมห้าถ้าไฟอุศนต้องเป็นมกากกระตามมาักดำถึงจะสามารถรัดขีวเขา้าไ้าม่เช่นนั้นรัดขีวเขาไม่ได้หรอกอดคนไปก่อนรอไปก่อนนี่ฉั่เห็นชนต้องอดอดทนรอไวถ้าจะเห้นชนฉันไม่รขีวก็ต้องทำเป็นขรุกกรรมใสอุศนถ้าเป็นไฟอุศต้องทำมากกระตากรำเนี่ย้ากรรมสัตว์แห่นี้ส า, ามารถปัดขีวได้ตัดขีวทั้งสายสุจลาสุิกันแต่แต่ตก่อนอันเนอัตราปรวทนยะ ไว้คุอสองคือมันกตากาัมไว้คุ้มคือมันใจมันตระยิกันเพ้าว่าเหนี่ยจะสามารถตัดขีได้ให้ผมเป็นที่ตะมันเลย ท, ทันย่าทันีเลยแล้วก็ให้ผมตํนสัปายกับผาทันีเหมือนกันไม่สามารถจะมีกำปีมาอึขวางได้แล้วท่างในฝ่ายขั่วฝ่ายดีต้องทำทีนขนาดนะั้น ถ้าทำม่ขนาดมาทาพอเสมอเป็นเสมอปลายทำพอเป็นนิดหย่อนๆเๆไปอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องใค้องดนรอทีไปก่อนเราเราเวาเลอกอย่างเราต้องรอทีไปก่อนใครถึงก่อนทนั้นก็เอาไปคนมาทีหลังก็ต้องอทนไปขนาดบางทีอนไปไม่ไร้พาดแต่ก็ได้กำไรนั้นมาบางทีหางก็เป็นสองพาดคอมันถึงตอนนี้แหละเพาะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ถึงตาเกษมมันจะกำไรเอง ก็บอกว่าโอ้โหพวกงานนะบอกตามเจ้ามาต้องสงสงรข้ที่เจ้าเจอหน้าเจ้าวันนี้ได้การละตามประรูมาต้งสงสารข้าละวันนี้มนเจอเจ้าคนเนี้ยจ็เล่นให้จําหนักทีเดียวมีปีศาจที่สนถ้าไม่ตายที่สนก็ตามมาเอ๋อเอ๋อปฏิรูปไปรู้เลยไปตกกัและหมาขึ้นบนนี้อีศาจไปเจ้าอาตามต้นหามาทั่วไปตะกานละถึงไม่เจอตกกเีวนี้เลยไ้ีกมี่เจ้าก็มีขใอไขใจก็เจ้าใส่ผลทีเดีย ใขณะนั้ น, นกบรตัวนั้นก็เก็กุญแจปิดในขณะนั้นเลถึงกำดีอันนั้นขึ้มาด้เพิ่มในรถไปเนีน่อันนี้เป็นกุญแลากกุญแจกันที่เป็นอัปปาราประเดชะให้ผลตามระเบียบการต้อง็อกอยู่ถ้าเรามาท่ทกำขนาดหนักเป็นขลุกป่าไปเส้นขลุกป่ า, ามาไปเส้นเลือดถึงสายว่าจะตัดกันสายไปเส้นแล้วไอ้กิตการลักขเขาไม่ได้เรายกตัวอย่างอย่างนี้จะไปลักขีเขาไม่ได้วันนี้กดเอง เม่อทำโลกก็มีตึกเิ้งมีวมีมีําดับทั้งทาก็เหมือนกันเพราะนั้นผู้ที่ทำามชั่วแต่ไม่มีความติดจายเลยน่ะนั่นจะสมายความว่าคีวของการชั่วที่เขาทำน่ะกำลรออนาคตยังมาไม่ถึงถ้ีซึ่งผลกรรมยังมีอยู่กังให้ผลก็อยู่กำลังให้ผลอยู่เปรียบมือนเรปูตนมะลกอกับปูกต้นกเรียนทีชนิดสองอย่างนี้เคยผลก็ตกต่างกันโดยกาลละเท่าทราปลูกเียงกันต่มละกอได้ซิ่ผลในพันในปีนั้น คือเรียนไปจ่ายเงนกับคี้เองไปจ่ายเงินแล้วเราจะมาเราจะมาควาขวานควาเป็นผู้เนบอว่าเอ็งใช้ไม่ได้เลยไม่ให้คนลูกคมาแข่งกันมั้วจะให้กินเลยแข่มกันไม่ได้การที่เป็นผู้เรียนตายกาจะทำ่างนี้การจะทำคนนี้คนฉลาดผมกยอนถามย้อถามประชาชน่ก็ต้องขอกันขาไปเลกันวากันเที่เหมือนกันมันมีคีมมันมีกาละของมันมืคุรยก็จะไหวปีหน่อยกมาละกอกูก็จะกินผลหายในปีเดียว แล้จ้างยังไรกันแล้วต่อสิต่อพิบายนี่ครับที่การพิสูจน์ว่าคนเกิดนี่ะท่านได้ไปด้วยพุทธภาษิตว่ามีพุทธภาษิตบหนึ่งแลยอนประเด็นไหนความเรื่อคนเรามีสามฐานะนะสามฐานะที่เราจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดจริงแล้วย้อนถามมืก่อนมว่าคนที่ท่านต่อถามนี่นะเอาคนปรไหน ถ้าพุทธศาสนาอ่ามีวิธีตอปัญหาหลายแง่หลายมุมของประเทศเรถ้าคนประเทอาลหันตายแล้วก็ไม่เกิดถ้าคนประเทศม่ศมชฉะอาลหันตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็แยกประเด็นออกมาถ้าประเทศที่มี็อนาคาก็เกิดอีกชาติเดียวก็ไม่ต้องเกิดนะเพราะว่าไอ้กรรมชั่วคุณมีบางแรงมันคันน้ให้หมดแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ยังไม่เป็นอหาหันแต่ก็ยังเคร่งเกยดแต่ต่อไปแล้วก็ฝังกรรมต่อไปมันก็เป็นสือสายมันมีที่สิสุดยึดยาไปวับจก็ยึดยาไปเพราะฉะนั้นชาน้าา ต, ต้องเกิดอีก อันนี้เราก็เขาบอกว่าจะพิสูจน์ยังไงล่ะว่าชาตหน้ามีนะลรวก็ถามเขาอย่างนี้บอกว่าอวานนี้มีไหมล่ะอวานนี้เนี่ยมีเดือนเดือนก่อนมีไหมมีมีก่อนมีไมมีมีก่อนก็มีชาติก่อนนันสินี่ยเอาสลักปฏิบันเนี่ยหลักของเวลาด้วกาลามาตัดสินวันนี้มีไม่มีคืนนี้มีไหมมเดือนหน้ามีไม่มีทีหน้าไม่ได้มีชาติหน้ามีไหมไม่ต้องสงสัยต้งมีต้องมีเพราะนี่เรื่องทุจรา อดีตปัจจุบันอนาคตหรือกาลมีอดีตอดีตบอกปัจจุบันปัจจุบันเป็นแผนผังที่ไปถึงอนาคตอยากอยากกมาจากอยากกาลมาจับเขาบอกว่าจะมีได้ยังไงถ้าชาติชาติชาติแล้วมีก็น่าจะเขาจะต้องรู้ว่าชาติก่อนเป็อะไรมาเขาไม่ใช่ไม่รู้อะเขาให้สร้างปัญหาให้แง่งนี้เนี่ยเราก็ต้องตอบเขาบอกว่า อย่าว่าแต่ชาตอนที่แกไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรเลยชาตนี้แหละฉันสั่งคนงง่ายถามแกกยังไม่ได้ออกเลยแทําไม่ได้แหละเต้องมาหางง่ายๆตอนช้านี่จะกินข้าวเนี่ยจเี่ยวข้าวสี่คาคือมันในท้องจาได้หรเชี่ยวข้าวสี่คำในป่าตอนเช้านี่แหละต่อที่จะมาคุยกันอาตมานี่แหละเนี่ยเชี่ยวาสี่คำจำได้หรือเปล่าแล้วเด็กเด็กเป็นเด็กคารกษเ่ยร้องไห้สี่คำจำได้หออไมเด็กคารุนั่งในหม้อนี่แหละ ร้อหายกี่ครั้งจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้บ้างเรื่องชาติเรืงจำไม่ได้เราเรื่องชาตอนไม่ได้เลยเงประจิมันเรื่องาติเรืองศึกเรร้นจเรื่อจไม่ได้เลยึม่ชาติก็จาไม่ได้ก็แสดงว่าจำไม่ได้เคยเป็นทาเล็กมาอย่างนั้นหรือจำไม่ได้กินข้าวข้ามาก่อนอย่างนั้นหรือหักล้างได้ไหมล่ะในกาที่จาไม่ได้แล้วก็หักล้างสิ่งที่ผ่านมันเป็นของไม่จริงอ่ะเนเหตุผลหักล้างได้ไหเขาไปอักหัวหักล้างไม่ได้เอามาหัก ได้แล้วก็เจาจะมาหักล้างานิทากอกไม่ไ ด, ด้ที่เจ้าอ้างว่าเจ้ามันลึกไออกคิดไม่ได้แล้วมาหักล้างนิทานกอนอกหักล้างได้อย่างไรเหตผลมันก็ประเด็นเดียวกันะไรเรื่องที่ชาดหน้าก็นเหมือนกันอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่ยัง ไ, ไ, ไม่ปรากฏแต่เรื่องอนาคตนี้จากการกระทาในปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นแผนที่บ่งถึงอนาคตปตัจจุบันนี้แหละเี่มันคถึอนาคตจริงใปัจจุบันแล้ปัจจุบันมีทำไมอนาคตจะไม่มี เหมือนกันอดีตปัจจุบันตอนนี้พ่อปัจจุบันอะสำคํามาจากอดีตอนาคตเราเป็นตายโซต่อไปจากปัจจุบันปัจจุบันที่เครื่อนข้อไปกายเนอดีตนะปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงนี่อนาคตแต่ว่าไปแล้วเพราะฉนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตอะทานจะพูดอย่างสุนทรธรรมัดแล้วมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเองแต่อาการที่ปัจจุบันเครื่อนข้อไปละแล้วบรรดาจะไม่เป็นอดีตอาการที่ปัจจุบันยังไม่มาถึงแล้วบรรดากันวาอนาคต เพราะฉะนั้นทางพุทธตานาวิธีการปฏิบัติท่านตีสอให้พิจารณาปฏิมณธรรมไม่ให้จิตเหนืงอริสไม่ให้จิตเหนือนาคให้พิจารณาลูกนามที่เป็นปฏิมรธรรมเปเหตุผลอย่างนี้นี่ทลนี่าริสูตถ้าขอเหตุผลการวิสูตมู้รับรับผู้โต้ตอข้างในนี้เป็นการใช้ขํานโมลโต้ตอกเขาเรีนขันกับเราก็เรียนขันมนะครับใช้ขั้นโมลต้ตอยังไม่ใช่เหตุผลที่แท้ถ้าเขาต้องการเหตุผลที่แท้เราก็สแสดง แสดงว่าอย่างนี้บอกว่าหลักการในการแอบหนึ่งตาแล้วเกิดเนี่ยมีสามประการหนึ่งหลักข้อที่หนึ่งหลักการที่ถูดด้วยวิธีใช่ประจับประจับประมาณข้อหนึ่งที่นหนจบได้คับตอนนี้พี่จะพูดหลักใหญ่พี่จะไม่ให้ลืมหนึ่งพิสูจน์ดยหลักประจับประมาณประมาณจากการประจักหนึ่ง ที่สูจน์โด้หลักไปจากประมาณในข้อนี้ทางคุทปศาสนาได้เสนอได้เสนอวิปฏิบัติทฌานสมาบัติปึกอิญญาจิตได้ปึกอพิญญาจิ ต, าจตสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่เหนือวิสัยธรรมดาพื่อตนเองไม่ต้องอาศัยผู้อื่นอีก แต่พระพุธทเทียบด้วยนักวิทยาศาพตรที่เข้าไปสู่ห้องทดลองด้วยตนของตนเองส อ, องอ น, อนุมานวิธีอนุมานเมื่อไม่ใช่วิธีข้อแหลกจำต้องใช่วิธีเปรียบเทียบด้วยเหตุผลกาเรื่องของอดีตภพ ป, ปัะพุบัอก็อ ความจริงเป็นความจริงเป็นส่วนสัตว์ของตาละที่ยืดยาวน่คือเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันอนาคตไม เ, เหมือนวันนี้วันก่อนวันหน้าก็ายอมรับ เคลื่อนไปหาปีเป็นปีก่อนปีนี้ปีหน้าปีไปหาชาติเป็นชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าแต่สรงปัญหาเกี่ยวกับกาละขึ้นเช่นนี้เมื่อสั้งปัญหาเกี่ยวกับกาละขึ้นเช่นนี้นนนมักจะพบคําถามวา่าชาติก่อนมีทไหนเราจําไม่ได้ทางพุทธศาสนาตอบว่า ไม่ได้เพราะความอลหานของกิเลสภายในจิตอาจจะเปรียบจิตเหมือนบ่อน้ำวัดการต่างๆในอดีตชาติเหมือนเหมือนวัตถุต ก, กจมลงไปสู่ก้นบ่อผมกัน ท, ที่ตกไปก่อนก็ถูกสิ่งที่ตกทีหลังตกติดมิน้ำซ้ำน้ำในบ่ยังขุนด้วยอาสวะกิเลสต่างๆ เป็นเช่นนี้แม้จะชะโงกมองก็มองไม่เห็นในกน้นบมอมีอะไรบ้างว่าในกน้นบมอมีอะไรบ้างเอารสชาติไม่ได้เหมืกับเราเอารสชาติไม่ได้ว่าแต่เรื่องอดีตชาติเลยใ้เรื่องขณะปัจจุบันเรายังจําไม่ได้ไปแล้วถามว่าเดี๋ยวนี้หายใจเข้าออกอีกครั้ง เ็ถาม่าเดี๋ยวนี้หายใจเข้าออกกี่ครั้งท่านก็ตอบไม่ได้ที่จะลึกชาต์ไดต้องทาน้ำให้ใสการทำฌ า, าสมาบัติให้เกิดาสมาบัติให้เกิด แ, แม่น้าจะใสแล้วแม่น้าจะใสแล้วใช่ว่าระลึกอดีตชาติได้หมดคงไม่ใช่ว่าระลึกอดีตชาติได้หมดไร อยู่เหนือเหนือปากบ่อก็เห็นก่อนผู้ใดที่อยู่ลึกลงไปก็เห็นยากตั้งแต่กําลังชานประมาบัจะสูงต่างเพียงไรเท่านั้นพระมาสัมพุตเจ้าตรงรฤชาตาย ไ, ไม่มีกําหนดพระตะเ ก, กับพุตเจ้ารฤชาตายน้อยลงมาตัดกะสาบแล้วลึกได้น้อยลงมาอีก ฤกษ์ก ส, สีภายนอกศาสนาชาติได้อย่างมากไม่เกินแปดมือนกับจากนั้นเราลึกถึงลมต่างๆคือเหตุการณ์ในอดีตน่ะประทับอยู่ในภวังภวังค่าเนี่ยเพราะว่าบุคอังคะเพราะว่าคือพบได้แก่การมาพบครูพบครูพ บ, พบอังคบ่าคือส่วนส่วนของพบการที่เราอายากรพบเนี่ยไม่ใช่พยากรอ โอกาสสโรกภายนอกไม่ใช่พบในที่นี่ไม่ได้หมายถึงไอโอกาสสโรกภายนอกแต่หมายถึงจิตซึ่งเป็นส่วนที่เข้าไปผูกพันในพบเหล่านั้นเนี่ยต่างกันเนี่ยทำให้ส่วนแตกต่างกันเพราะดันั้นพ่นนึ่ในในภาษาศาสนาเราจะเรียกว่าพวังขจิตพวังขจิตเนี่ยเป็นองค์พรองค์ชาเป็นองค์ทั้งชีวิตชีวิตมีกําเนิดจากพวังขจิต เราไปคิดพบว่า น, นี่ไงพบไม่ได้อันนี้เป็นโอกาสพระโลกไม่ใช่ทัวพบตพบอยู่ที่นี่อยู่ที่ภูมิของใจของจิตอยู่อยู่อู่อยู่ที่นี่ครับภูมิของใจครับอันนี้ใช่รอบสวรรค์ขจิตจิตเป็นองค์ของพบที่เป็นองค์องของพบคืออย่างไรคือว่าจิตนั้นเก็บเาอาพฤติกรรมต่างๆในชีวิตของเรานับไม่ถ้วนขาดกโอภคกติกโอภคกติ มีเบื้องต้นในปรากฏนาครัคูติสัมปาร ต, าติเนี่ยวัตถสุงสานี้มีเบื้องต้นในปรากฏมันมนาเหนือเกินจะไปจับอาการเว่าตั้งต้นเลยหนึ่งที่ไหนไม่ได้เปรียบเหมือนผเผลไม้ผลสกผลแลวถามว่าผลนะอะไรเป็นศูนกลางของผลสกอะไรเป็ น, นูกลางครับที่ที่ไหนก็ไป็ น, นกลางได้หมดเพราะมันกลมเหมือนลูกบอล ที่ขวาขวาไปศูนย์กลางขี่ซ้ายซ้ายไปศูนกลางขี่เหนือเหนือไปศูนย์กลางที่ใต้ใต้ไปศูนย์กลางเพราะฉะนั้นแหละครับมีเรื่องเล่าว่าสมัยราชการศิษย์สามาทหลวงฝรั่งเศสเข้ามาในกรุงเทพอยากจะลองปูมพระเถละาของเราสมเด็จพระพุทธาจารย์โตธรรมรังสีวัตรคังไปลองภูมพระลอพระองค์บอกว่าท่า น, าาานชื่อโอโลกแดนโอโลกกลมพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกในโลกที่บอกโอโลกกลมนะท่าน มังมังค้าจะล้วงโลกกลมถังมาล้วงโลกกลมหลังพุทธศาสนาตั้งันพปีแต่พุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนาโลกนี้กลมไม่ใช่แบนอย่างผู้พามเชื่อหรือเปล่าถังเชื่อไม่ใช่โลกนี้กลมที่ล้วโลกกลมน่ะคาว่าพุทโกโลโก้ไงล่ะบอกแล้ว่าโลกกมพุตธโกโลโกเนี่ยคี้แปลว่าโลกกลมโดยตัวเลยมุนเวียนโลกหมุนพระเจ้าล้วโลกหุนด้วยแล้วล้วงโลกกลมด้วยโกอุปมาอุปมยในสังขารูปสีิสูตร มารีไ ม, ม่ม่กายสังขารรปติสูตรพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอุปมาว่าให้แข่งพิจารณาดูโลการโลกน้อยใหญ่อุปมาเหมือนหนึ่งแข่งดูผลมะขามป้อมในตามอือไม่ทอุปมาโลกะหมุนสิ่งอื่นแต่อุปมาโลกผลผลมะขามปอมให้ย่อโลกเนี่ยนะย่อโลกแสนโกจักรวาลเนี่ยมหา ส, สหัสติโลกธาตุจินระสาสหัโลกธาตุติสหสมหาสสตโลกธาตุ โลกธาตใหญ่พันหนึ่งโลกราตน้อยพันหนึ่งโลกธาตทั้งใหญ่ทั้งน้อยตัง 3, ้งสามพันรวมหมดเนี่ยาวางรูของพระเจ้าเนี่ยนำหน้าผู้วิชาดาราศาสตร์ทางโลกนำหน้าวิทยาศาสตร์ทางโลกนำหน้าภูิวาสาร์ทางโลกมากมายไกลกองวาไปแล้วก็ทาให้เราตื่นตันในพระศัดคุณ่าเราเลือกนัถนะกถาสนาผูกป้องละทันฉลาดไม่งงงาไม่เหงใยพวกศาสนาอื่น พราะ่อินนะเพราะวิาศาตจะเลยยาสติเขขมเข่เลยภาพฐานเลยผูวิทยาสต์ที่กตอภาพฐานในสละายละายอ่ะเขาต้วาศาไปได้แต่ี่วิทยาาตยิ่กจะเล่นทำมาผู้ดเจ้ากลับกระจักขึ้นมาว่าแม้ว่าผู้ดเจ้ามีเงิเิงเาไม่ร่ก่อนไอ้พวกแต้องโทลรัรดูดวงดูดาวทั้เจ้าหมดสมามันมีก่องดูดาวไปนี่นี้ไม่มีอวกาศไปนี่ขึงนินอวกาศจสลัดไนีแต่ผเจ้ารู้นะรู้ว่าโลกนี้หมุนรอบ รู้ว่าโลกนีมีดวอาทิตดวงนี้ดวงเดียวนะแล้มีสุริยะจักรวาบางสุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตย์มดวงก็มี5าดวงก็มีเจดวงก็มีหนเป็นพุทธวจนะแดงมาทั้งนั้นเสลังที่เนดราศาสตร์เอามาเจอธรรมะอนี่หาให้หลังสิงเลยวเอไม่รู้เลยว่าคนตะวันออกและอินเดียเนี่ยพระคตูธรรมะทำไมถึงขลาดล้ำหน้าอย่างนี้นะในขณะที่คนาให้เดียวกันนี้เล้ายโลกโกนี้เต่าเหมืนบ้างลกพระเจ้าต่างบ่างลกแดนด่างเืออย่างนั้นนะ แต่พระเจ้ามาแสดงแบบนี้ในที่ที่อ า, าสาถึงแต่นั่นอาสาตั้งสองเท่นานิดเดียวเนี่ยอันเป็นจำที่สุดในข้อนี้พรจิตเราเนี่ยที่ราประวังขจิตเนี่ยเปเก็บเพิจิตรจำของีทั้งส่วนดีส่วนชั่วเก็บไม่หมดหรือถ้าหลายเก็บไ้อันหน่งไว้แล้ถา ม, ม, ามาาว่าเอ๊ะมันจะใส่ไงวหไม่ไจัดเต็มก็คือแล้วย่างเช้าวันนี้ที่ดูเราขนเทล ไ, ไม่ไจั น, นี่หละเราเนี่ย จียิ่จิตนิ่ละคนหลายไม่รด้จักเต็มครับเพราะอะไรเพราะว่าจิตเสี่ยมันไม่กินเทศะไม่ตกอยู่ความจากัดของเทปะในลักษณะของจิตจิตต้ม่มีเทปะเราจะเอาเทปะมาจำกัดจิตว่าจิตจะต้องอยู่นนยยไไยนนตรง น, าาาะนะ น, นั้นจะจำที่ต่โยกได้มันไปไหนไม่ได้นี้แต่จิตอยู่ภายใต้นาจกาลนะเพราะนจิตไม่ใช่ีลาเงียบๆพาน่อ ทพานิทาเป็นธรรมที่พ้นกาละพ้นเทสะเพราะนั้นนิพานจริงไม่ต้องมีเวียนไล่ตายเกิดเพราะอาการเวียนไล่ตายเกิดเป็นเรื่องกาลละเทสะแต่ว่าจิตเนี่ยแม้จะพ้นจากเทสะแต่ยังไม่พ้นจากกาละจิตจริงยังไม่เทียงในจิตที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเกิดดับติดังไมติดนี่เป็นเรื่องีจิตแต่ถ้าเราพ้นจากเทสะนะจิตเนีเมื่อจิตพ้นเทสะแล้วเราไปบรรจุของถทาไหร่ไม่รู้จักเต็มจริงๆ ไม่รู้จักเต็มไม่มีทางเลยไอที่มีเทสะจํากัดที่ไม่รู้จักเต็มเช่นยกตัวอย่างว่ากล้วยนะำมันมันมีเทศะของมันจํากัดว่านี่ไปมากก็มันแค่นี้ายได้แค่นี้เอาน้ำใส่เป็นถ้วแล้วมันก็เล็ดออกมาเทสะมันเพียงแค่นี้นี่ถูกไหมเหรอไอไปมากมาันล้อมรอบเนี่ยไปได้แค่นี้นี่มันกินเทศะคนเราโดยค น, นเราเนียกินเทสะนั่งที่ไหนคนอีอีกคนนีา้มานั่งแทรกเราไม่ได้ไอตอนนี้มันนั่งแทรกไม่ได้เราจะนั่งมันตักเราสิก้อนเราทีนั่งได้ แต่จะมาให้นั่งตรงที่เรานั่งเห็นอ่ะไม่มีทางหรอกเพราะตวรามันเจ็กกะมันหยาบเป็นโอราดิ ก, า ม, ก, กามันกินเทสะเป็นรูปรูปก็ทำมานะกินเทสะหมดรูปก็ทานะกินเทตะหมดีเดียวอ่านีจ่จิตไม่เคยรูปแล้วก็กินไม่ได้กินเทตะสิงใดเป็นรูปสิ่งนั้นมีเทสะอันนี้มันคำเตจจคำเปับรวามครับว่าจิตไม่เชยรูปเป็นนามธรรมจิตกินไม่ถูกเทสะถูกมัดเพราะฉะนั้นปัญหาข้อที่ว่า ทำไมจิตสามารถเก็บพฤติกรรมอดีตภาพิตั้งสีโกดีพันล้านชาติเก็บได้หมดเป็นคันพับปัดแต่ที่ว่ามันไม่จินเทตาเนี่ยมันจีบไดหมดมันไม่เตี้ยหมดเเดียวพติกรรมต่างๆเก็บเก็บเก็บเ็บ็บอะวัเมื่อหัตทะวันมันน่าจะเห็นมาจะรื้อได้แต่มันก็รลกอไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าพื้นเทของจิตอ่ะยังมีน้ำคืออาสวะเลสหนักดองทำให้จิตเจ้าหมองจิตคุนมัวกลายเป็นน้าขุนกมจะน้าใส น้ำคุณน้ำคุนเหล่านี้คืออาวะสิเลตปริยุทธานะเลตปริยุฐานะคือเกลือที่มาตุ้มรุมได้แต่มีวันห้าคนง่ายบริยุทธานะเกลือคือมีวันหาอาวะก็คือหัามาสวะทิฐาตวะภาวาตวะอวิทาตวะสนะริยุทธานะเกลือคือมีวันหมีกามาันพะอุกจกุกุจจะมีนภิธาพญาตาภาวิจิจิามีวันจิริกุเมนห้มมีถูไอกาสวะกับวอนเหล่านี้ตุ้มรุม น้ำก็เปนนุ้ณเพราะนั้นจะไปเบินตาดูไปเอาต้นสภาพมามก็บ้องมันเห็นภาพก่อนพ้อไม่เห็นหรอกเพาน้ำมาคุณอยู่แล้วคราวนี้มาทำชาสมาบะข่าวมาทำข้าวมาขับไม่อ่าชะเฮยแย่น้ำคุนออกมาแยกสะกพออกมาแย่ไปแย่ไปออแย่เพราะน้ำใส่ะเอาน้ำาสแลวก็มาจะเห็นก็เห็นเฉพาะแต่ไอ้ของมันใหม่หที่มันขึ้นจะตกไปมนแล้ว้นก้นบึ่งของจิตใหม่ใหม่เห็นเห็นว่ะเรแรกยืนภาพสิแล้วบ้างนรแกสักห้าฉากบ้าแต่กำลังสมาธิสิ ถ้าสมาธิเจ้าแรงมากแค่ไหนถ้าก็เข้ากับว่าเจ้าใช้กําลังสมาธิเนี่ยติดคุเคุยวัดตรงต่งางที่มันทับผมออกมาเลือออกมาเลื่อออกมาเลื่อออกมาพอเลื่อออกมาชั้นหนึ่ก็เห็นของเลื่ออมาชั้นนึ่งก็เห็นของชั้นหนึ่งลึกเข้าไปตามเงินแบบชั้นพวกโยคีลอกปาศนาที่แดกพิญญาและเลืกได้อย่างสูงแปดมิลกัดกว่านั้นแล้วเลื่อไปได้แล้วกว่านั้นเป็นอุนทะการทีเดียวมืดมนอุนทะการแล้วเลื่อไปได้ตาม กำลังทางสมมาบัตรตามไปไม่ถึงนี้แต่พระสมาสมาพระพุทธเจ้าประเทศเดียวที่สามารถระลึกไม่ควรนัไม่ทวพลาดอ่ะถึงเต้นเต้นเต้น ต, น, ต น, ต น, ตนต่อเลยเพราะว่ากาลังทางสมมาัตรขมมาระพุทธเจ้าสูงกว่าใครๆหมดที่ระลึกได้ไกลมากมายอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นแม้แต่คนระ ล, ะละิกท่าไ้ยังมีขีดขั้นเลยอย่าว่าแต่ตซึ่งเป็นคนตั้งกัญหาถา ม, มว่าทไมฉันระ ล, ะละึกท่าไม่ได้แต่นีวนาายย่ว่าใครมีอะย้อนถามเขาเนี้อยู่หรือเป่ามีมีจะมาต่พูด ใจอยากลึกลึกชาดได้ก็ได้ขาับนิวนหนาออกซก่อนนะถ้าขาจับไดแล้วลึกไม่ได้คอยระยอเร่งงานท่านมาต่อไปนีางง้าจ้าจะมี ย, มย้อนหน้าเจ้ายังไม่อยู่จาจะมห่หอาแล้วท่านนั้นไม่ใช่ไม่ได้ถ้ชื่อเต่อไ ม, ม่ีใช้ไม่ได้ไม่ใช่ลักของนักปราไม่ใช่นักผู้ยมเหตุผลม่ใชหลักาาพพนิกาตาบแพนักยาติศาสแเขาส่งข้าให้ที่สุดไม่ที่สุดซก่อนสิทำนิวห้าออกพ้นจัดใจซะก่อนแลน้วทำนิวห้าพคนไปแล้วยังลึกชาดไม่ได้คอยมาต่อว่าตอนนี้คน แล้วไม่มีข้อยาว่าไอ้ตอนนี้ยังไม่ทเหรือว่าต้องไปทดลองในตัวเองซะ ก, ก่อนเด็กต่ไอไหวงั้นในเวลาการอีกข้อมนะีท่านผู้หนึ่งเคียบปัญหามาถามบอกว่าถ้าคนที่เกิดมาในชาตินี้จำชาติเกิดของตัวได้นั้นเกิดมาโดยกิเลสหรือบุญบาศอย่างอย่างไรเขา อ, อธิบายอันเปนปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาสำคัญครับเพราะมีตัวอย่างทั้งในอดีตปัจจุบันว่ามีคนบางคนละลิขชาติของตัวได้ในเมืองไยมันมก็มีหลายลาย มีเป็นพระก็มีที่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์มั้งแต่สุรินทใช่ไหมครับแล้วฤาษีชาติดาที่เป็นพระแล้วก็ที่เป็นขันหัดก็มีขันหัดเนี่ยที่ผมรู้จักก็ตายไปคนหนึ่งพระพิจิตจําจนงตายไปแล้วคนหนึ่งฤริีชาติกองตัวได้ยังมีคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ชื่ออาจารย์ศรีพุทธุกแ์เอาจารย์ที่มาเมฆุ่เหมนกันพบางศิษยอาขันธุนี้ชาติ2่าตัวได้าษีชาติกต า, า, าตัต ว, าาาตตวเป็นนายทหารเรือ เคยเป็นในฐานหรือรับราชการในฐานเดือประกอบฤทธิ์ชาติของตัวดแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้มีเด็กคนอนึ่งที่มครสวรรค์ฤทลิ์ชาติตัวได้แต่ชาติก่อนหน้าถูกข้พรังตายแล้วก็มาจับชาติเกิดใหม่ตามพ่อแม่ชาติเก่าอะไร้ตัวเด้หมดเลยสือที่มาลงเนเกียวกาทีเดียวเมื่อหบดติกหมดีกันปีทย่แเองนี่ครับปัญหาเช่นนี้ในเมืองกรังก็มีเยอะจึงก็ะทั่งเตั้งเป็นสมาคมน่ะสมาคมติดสวนพลุทธิชาติด แล้วก็ทําเป็นรายงานเป็นรายงานู่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นอัจฉราจารย์ทางจิตวิทยาของอเมริกาสร้างเป็นมูลนิธิเพื่อจะตีตราประวัติของผู้ลึกชาติเหล่านี้มัน็บเป็นเล่นก็คือมัเล่นป็นหันนกฐานเอาไวา้นะเรื่องนี้นะถามมาเป็นข้ออะไรผู้ลึกชาติโด้พที่ลึกชาติได้เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ลึกลึทเตี้ยมากชันตมาบัตสักข์ไม่ใช่อะไรก็เรื่ลึกเตี้ยอะไรภาษาธรรมะดีกว่าชาติอนุตตรมยาน เป็นธาตุแข็งชาติธรรมิารัญญาไม่ใช่บุคคลนิวาสานุสติญาณไม่ใช่ถ้าเป็นบุคคลนิวาสานุสติญาณแล้วจะต้องเป็นฆาิญญาเท่านั้นต้องเป็นวิถีอภิญญาติที่เกิดจากอันนาชาสมาบัดตั้งแต่ปัญจมาชาขึ้นไปถึงเป็นบุคคลนิวาสานุสติญาณแต่ถ้าในกรณีอย่างนี้เป็นชาติอนุปรัญยาเป็นชาติอนุปรัญญาครับนี่มันจดตัว ไ, ได้เลยนะอันนี้ พ่อท่านอาจจะต้องคบประเด็นคุยถามท่านบอกว่างั้นคนลึกชาติเราเป็นุูเขนิวาสติ๊กหอมไม่ทิ้งไม่เสมอไปพวกที่ละลึกได้เพียงชาติหนึ่งหรือสองชาติสำเร็จด้วยชาติอนุสรณยานไม่ใช่เขนิวาสติญาณต้องแยกออกจากกันชาติอนุสรณยาณกับุูเขนิวาสติญาณไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนละคนคนละอันถามว่าชาติอนุสรณ์าณเกิดที่อนนาอะไรถามเลย ก็จะอนาจอะไรบอกว่าพวกที่ได้ชาสิอนุสรณ์ญาณ น, นะเกิดจากว่ามีความประทับใจอย่างรุนแรงในขณะที่ตายประทับใจอย่างรุนแรงมากประการหนึ่งประการที่สองเกิดจากไม่คทะวุตัวจะตายพวกไตโงเนี่ยลดความตายตายหมู ย, ยังยังไม่เพิ่มเมื่อไม่กี่วันมา น, น, นี้โหตายหมูเทกะจาดเนี่ยพวกนี้ไม่ทะวุตัวจะตายเพราะนั้นโบราณกับพีไตหงดุ นีด่ดนะดูเพระเหตุนี้คือพวกนี้ไม่ทันเตรียมตัวจะตายไม่ทันรู้ตัวจะตายปุ๊บปับตายแล้วตายแล้วพอเป็นคนที่วิญญาณออกออกออกุออกออกบโดยมากก็ไปเกิดในโถมเปรมมตครมวอัสุรกายตายปุ๊บเกิดทันทีนะครับหานนี้เราต้อง ย, ยืยนหยัดยืนยันหลักอธิธรรมเอาไว้อิษฐานแล้วบอกไปโค้งค้างล อ, งลอันี่นนี่หลักที่ต่อสนามลยสองนี้เลนี้ เขาะว่าตายแล้วแล้วผีมาหลอกยังไม่ทอนไปเกิดนั่นชาวบ้านเขพูดกันชาบ้านไปคุไปเกิดเพ้อเดี๋ยวมาหลอกตลอดเลยความจริงไอ้ผีนั้มันไปเกิดแล้วเกิดเป็นผีไม่เชีเขามาไ้ไปคนยไปเกิดหรอบุคคลประเภทนี้ในโลกที่ตายแล้วไม่คุไม่เกิดคือผู้อาวหารครับเพราะนั้นถ้าเขามาว่าเราหรอหรือแช่งเราบอกว่าให้ตายแล้วอย่าคุยจะเกิดเราควรตายซันเราตากอนจะอนปากกันดีแล้วไม่คุยไม่เกิดที่จะเอาหารเราจะบอกให้อานุปาอานุปาอานุปาที่เตติพันละเนี่ย มีบุคคลประเภทเียวที่มีคนไปเกิดนอกนั้นคุณเกิดหมดท่านั้นแหละไอ้ไม่คุณไปเกิดจะไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าไปเกิดเป็นผีผีนี่คืออะไรคือเปลือกกรกายสองภูมิทำไมภูมิสีไ้เกิดเป็นภูมิเปลืกภูมิุระายสองภูมินี้แล้วมอเกิดเปนสองภูมินี้แล้วไม่รู้ตัวตายนี่ก็ยังกเป็นตัวอยู่ใช่ไะ อยากจะมากลับบ้านเยี่ยมลูกเยี่ยมเต่ามาดูบ้านดูช่องดูต้นไม้ตะถานมาปรากฏการให้เขาเห็นลูกเต่าลูกเมียกัวกันแล้วตายแล้วผีอลอกนี่แม่มาหลอกแล้วกลัวกันใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้จึงเกิดเรื่องผีหลอกผีหลอกเกิดจากพวกนี้แล้วพวกนี้นะครับข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ที่มักจะเลยชาติผีปชาติเต่าได้ที่มักจะแต่ไม่ใช่ทั่วไปนะครับตอ้องคอยยกเว้นมาก ไม่ว่าทุกกายผีตาะโหงทุกกลายมาเกิดเรื่องชาติและทุกกลายไม่เ่ตายต้ขนข้อยกเลิกหากว่าไปเกิดเป็นผีนานๆเขาลืมแล้วลืมเรื่องชาตนี้แล้วลก็รู้ตัวเราตายแล้วเขาลืมแล้วอาจารยเหี่ยยายที่มีต่อญาติเป็นพี่น้องนะ่ะเลิกกันแล้วเพราะเราพบผีพบโลกทิศเนี่ย แล้วในพชรที่เป็นผีเปนเศษขาก็มีญาติญาติเดิมหมือนกันนี่มีลูกมีตามีเมินมี่วตั้งคอบตั้งตัวมีเร้นองนะไรที่ผีเป็นคนลูกคนลุดนี่แหะมีบ้านมีเค้า่อมีอะไรต่างๆที่มันเคลือนเติมตัดบางทีญาติที่พี่น้องเลยที่ตายไปต่อรุ่งหน้าเขาอะมารับเข้าไปก็มีมาบอกโอ้ยอย่าไปห่วงเลยเจ้ามาตายไปแล้ว่ะเนี่ยคุณระพดเปลี่ยนพดแล้วยไปห่วงเล้พูลูกตายผาพักสาเลยในโลกคนุดเลยนี่เป็นโรกใหม่แล้วตัวก็ไปอยู่โลกโลกคิศนานๆเข้าตัวก็เลยพวกเก่า ลืมเก่าอุปมาเมื่อคนเราในโลกมนุษย์เนี่ยเราย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปถึงจังหวัดหนึ่งนะนั่นนาเข้าก็ลืมจังเพื่อนถึงในจังหวัดนี้ไปไปได้เพื่อนใหม่อาชีพใหม่บางทีไปตั้งครอบครัวใหม่ลูกเต้าไหมก็ลืมพวกญาติสิ่งที่น้องของเก่าประเทศเดียวกันมันเป็นอย่างนี้มีนักภาษาอะไรกับคนณละทบคนณละโลกถ้ามันได้ไม่ลืมพวกเก่าอ้ามามาพูดเขาเขาใหญ่เขาก็ไปโลก้มาเ ข, าเ ข, าเขา้ามาติหขังเอ้ทำไมเขาปิดเพื่องเราอยังไรกันลนะเนี่ยไปพูดจากตัวตอบเราเลย ก็ต้องต้องมีพวกโลกที่ติดนมาที่แงแบบเจ้ามาตายแล้วรู้ตัวรู้จามดเลียงใจ้พวกนี้แล้วเนี่กันแล้วแล้วก็อาหาเพื่อลุ่มมาให้ใหม่มันนานก็ลืมลืมความถ้าเพื่ลืมความเนี่ยทำมาเกิดเป็นมนุษย์ตัวนี้ใช่ไหมได้ไม่เลิกไปไดพวกเขาเลิกได้จะต้องตายปุ๊บเกิดเป็นผีปั๊เกิดเป็นผีไม่ไม่ทังข้ามวันมาเกิดเป็นคนปุ๊บสวนขวันอากาที่จะไปลืมมันไม่ได ไอ้ความระทับันในภาติที่เป็นมนุษย์มันตามมาถ้าเดถูกขัดฟันตายอย่างงี้หรือว่ามีอะไรถูกมัดกับสมบัติตนี้แกักใครอย่างนี้แรงๆนะตามมาในภาพนี้ทีเดียวไอ้ไอเกิดเป็นผีเพียงชั่ววันเดียวนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งในโลกผีนะ่ะเลยจะตายไปแล้วเร็วเร็วมากแทบเสีย เ, เนเี่ยตนนั้นถ้าเเป็นผีทเียจะาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพวกนี้แหละจะลึก่าตครับพอจบมาลูกความแ่สามสี่ขวบเอาแล้วลกความเก่าได้แล้ว บอกกับพ่ อ, อแม่ว่าพาไปบ้านโน้นจังหวัดต้นตำรวจโดดน้นเพอพแม่ฉันอยู่ที่นั่นจะไดกตายทีเดียวจำได้กับทัที่ป่าน้าหามในท่านสอนตัวนี้ทักษะได้หมดนี่จำได้เพราะความที่ตัวไปอยู่โลกพิษเพียงชั่วไปเดียวกระดาวแล้วก็มาเกิดนนนในแนมนุษย์ทันทีทันควัควควนันีทันควันนี่อย่างนี้แล้วก็สาเร็จเป็นชาติอนุสรณยานไม่ใเนคยีว า, านรนญาเพราะความรวดเร็วที่มาเกิดเป็นมนุษย์ ให้เกิดมีพบเหล่ขั้นรวดเร็วมากมาเกิดเป็นเร้วทันทีพวกนี้าเกิดเร็วแล้วาติได้ด้วยด้วยวิธีการอย่างนี้ผ้ชาติี่นุสรัญาณเนี่ยพวกนี้ได้รุ่าได้เกินสองชาตนะครับแต่เคยปรากฏในรายงานว่าแต่เกินสอาบเลยได้ไปมากหัวมากก็ได้เพียงชาตเดียวชาเี้ยงได้เป็นาก่อนชาเดียวแล้วพอโตเป็นหนุ่มสาวแล้วก็ลืมทักจะลืมความเ่าเลือนไม่เลือยนอ้ที่ลืมไม่ใช่อินกลเพราะจิตใจมเป็นเด็กมันยังบริสุทธิ์ มันยังไม่มีอะไรเกเรตปัญหาอะไรมากมายมามามกุ้มลุ่มนะฮะมันก็จะเรียกว่าภาษาเด็กก็ยังไม่รล่ยนภาษาเกเตัญหาอะไรก็ไม่มากมากไม่มากไม่ใ่ายกองอะไรเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องมากใจตุ๊กคุณมองมากล้ามตาเขาค่อยลืมเรืยนไปเรื่อยไปหมดไปหมดไปลืมเรือนไปคาาบาคาบแข็อย่างนั้นอะแขงแข็ันตกอันตรายชาแต่แข้าแข็งแตกอันคาบคาบไปเ่อยไอย่างนี้อย่างนี้เรว่าชาติอมิตรมยา ท่านหนึ่งถามมาว่าไม่อ่านตับอ่านหนังสือาตาประการ่องจิตของขนาดทีบดีปีท่านว่าจิตมีดวงเดียวแต่ตามที่พระพิพัฒนพระมหากร่ า, า, า, า ว, ว่ามีแปดจิตเก้าหรือร้อยสิบเอ็ดนั้นเพราะท่านกล่าวตามาการของจิตในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรจิตมีหลายดวงหรือว่ามีดวงเดียวกันแน่หรือเรื่องจิตหลายดวงกับเรื่องจิตดวงเดียวมันมีทางรวมแลงนทางเดียวกันได้ถ้าความจิตหนึ่งดวงเดียวกับหลายดวงนี่ไม่มีอะไรขัดขันกันล่ะครับ ให้คำาดวงเดียวเนี else, them, so, wants, to, ่ยค <Yeah. S 2> so the ือพโดยตั้มนนว่าติตาท่าตาโตติดตาท่าโตนี่ทาของติดกับรู้น่ะมีหนึ่งิดเนี่ยท่ารู้น่ะมีหคนเราก็มีหนึ่งารู้ทางคนทางนี้ทารู้องเรากับท่ารู้ของเขาไม่ใช่มาเป็นไปเดียวกันได้ทางคน่างทางนี้ไปเนี่ยทางคนทางนี้หนึ่งหนึ่่ันารู้เนี้ยแต่ที่อทํามาบอกว่ามีสิเก้ยสบเอ็นด้วยมางของติดถูกแล้ว อาตัอันนี้ไปทำหน้าที่อันนั้นเ็นปรยเชื่กชื่ออันหนึ่งไปทาหน้าที่เป็นโรคปกสสาะก็เรียกว่าโรคปัสสาวะจิตไปทำหน้าที่เป็นมะขามตลกในทก็เรียกว่ามะขามตากจิตเกล็มือนในกอเติมอยู่ใฟอมก็เรียกว่าในพันถอดอยู่ในฟอมเข้าบ้านเก็เรียกว่าคุณพ่อน้องชายก็เรียก่าคุณพี่พ่อแม่ก็เรียกว่าลูกลูกชายนี่ก็ในกอคนนี้นั่นแหละที่ทางานก็เรียกว่าในพันในคนที่กระตันเติมอยู่ในฟอมพอจมีฟอมออกก็ในกอคนนั้นแหละ แ่อแม่เลี่ยงรับไปอย่างหนึ่งคือหน้าเียรับไปอย่างนึงสุดแล้แต่หน้าที่ใะการงานพรดง่ายว่าจิที่ติก้าก็้เน่ะเียกตามการงานของจิเพราะอ้เจ้าขรู้ด้ยทางานอะไรไปทหน้าที่อะไรเี่ยงตามหน้าที่ของมันครับจิตี้ต่สิบเก้าก็้ยบว่าพราาว่าจิตที่มีแต่ิก้าหน้าที่นี่อาจจะเข้าใจทาหน้าที่สก้าอย่างโดยทังเขตโดยทิสานทาหน้าที่ร้อยอย่างเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพรู้ดวงนี้แหละไปทำเออพยัญน อะไรครับอยู่ี่ขั้นี้มุมาอีก่อนครับ เขาเนี่ยทงานหลายหน้าที่นะในขณะที่มันทำงานหลายหน้าที่นี่เนี่ยเขาจะไหวโดนไม่ไปทําะไรไปไม่้ชงมันก็ตัวปรับตัปรบไปทำหน้าที่ของมันไม่เห็นคนเราดีแล้วจะว่าในตอนนี้จะนาพันเป็นพ่อเขาเป็นอาสามึงเขาเป็นลูกายเขาในตอนคนเดียวถูกแต่ข้าวกันในตอนนีมันก็รูแตแต่้แต่ตายแล้วในตองเนี่ยมันไม่เปียงแปลงนะไม่ใช่นะในตอนรู้จักเสียงรืหนังเหี่ยวย่นรู้จักผมหมอกรู้จักที่ความเป็นเน่มันเป็นคนแก่ที่จากความเป็นคนแก่มาเป็นคน แตราะ่ไม่อนเลยข้าไม่ใที่ที่ต้องเจอตาดพระว่าอยู่ด้วามตาอย่างนั้นไม่ใช่ภารู้เป็นภาพเดียวด้วยภาเดียวไม่ใช่สิครับคนหน้าที่เดียวคนละนัานี่มดครับ่หมดปัญหาที่อาตมาจะเจริมพรถานเนี่ยเป็นปัญหาแบบอาติปัาโดยฐาจะสอบวน เปลี oh. <were> ่ยนเสว่า no ถ้าคนละไม้นคนที no ่เรียนมาว่าเป็นต้นมันาจตึงรกไปต้นขนซ้อนบในเมยังตรหนหรือในหัวในของมันไปหยุดฝนจิตที่ตัดสมที่จะกต่างที่คนกระทำไว้ในจิตฝนมว่า ฝักสมต e, ึงหน้าไวรำต้นผลไม้อะไรของมันไว้ในโอทาในตัวอย่างไหนันไปปลูกที่อไรเป็นมะม่วทุกทีขันใดจิต้องคนเราที่สักผมพฤติกรรอะไรต่ออะไรต่างๆไว้เนี่ยก็ติปธรรมะต้องไปเกิดเป็นคนทุกครั้งเพราะฉะนั้นจะทำหรือทำชั่วมีผลเท่ากันท่านยอมถามเขาได้ให้ปฏิิ้าวยากรถามเขาให้เาปฏิบติเ้าวักรอน้งกระนถามนี้ถามไอว่า มันไม่ใช่ขไม่ทุกข์ใช่ป่คืรามาเนี่ยมันสะสมมันคอความัะโมบตอความละโมอยไปใช่่าเกีวไอ้สิ่งที่ไมมีชีวิตมาเกียกับสิ่งที่มีชีวิตด่าคนเราเป็นสิ่ง่มีชีวิตรามู้สึอจิตนเปี่ยนแปลงเลี้ยวดีเลี้ยว่ว้าจะไ่เวมันดีช่วยหรือจ๊ะเลีเอนผน้าเรสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่ยเราจะเล้ัไอสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้ายาศาาอย่างนั้น ว่าชีวิตในทางโลกชีวิตในทางอิรถ้าทารรมแล้วถือว่าชื่อต่างๆนี่แหละมัแต่หนักไม่นามาชีวิตจริงๆเล่นแต่รูปธรรมอย่างเดียวที่มันจะเริ่มติดเติมจากกินอาหาราจะให้ต่างๆเนี่ยนด้วยานาจธรรมชาติของมันหรือจักรานุาเนี่ยูกข้านี้ยอ่อนภาเียเราะจัรยาามมีชีวิตไม่ได้ชีวิตเป็นภาษางโลกพูดชีวิตในทางที่ว่าในธรรยาตราจะที่ว่าในทธรรมต่างกันนะครับ ถ้าคิดว่าเขาเรียกศาสนาที่ลูกกระทําในศาสนาเราไปเอาเราเรลับเ่าละเป็นไม้ก็เป็นลูกกระทั่งนี่นีูกกรทิิ่สี่ละลับนี่นี่ลูกกระทั่นีู่กกรทิวติ่งส้่ละแต่น้มาชีวิตติ่งสี่เป็นไม่เลยีไอ้นั้นเขาเอาชีิไปทำยาศาตระโดลับกวาดเป็นเพียงแต่ลูปกระทิวติ่งสเลยาเขาว่าเป็นไม้เนี่ยทำมึงทาบาปไปวะมีเรื่องปัญหาเป็นไม้เรื่องปัญหาอื่ครับอ่าน ก็คุไม่ได้หรอกเพราะมันมีจิหลตัณหามันวันนึงเ้าเป็นยักษ์วันเป็นโยดาตอนบ่าดจแล้วใครจะรู้จิตมจิตนนเปลี่ยนด้วยเมื่อคุ้มจิตนั้นเปลี่ยนแล้วก็จิดเปลี่ยนนาทีหนึ่แล้วก็ฟังคุณพฤติกรมเปลี่ยนไปตามบทบาเข้าไปในีนหึ่งเออใช่ไหมค่ะวันนึงเปลี่ยนหลาครั้งนะครับมันก็ฟังคุณพฤติกรรมแล้วหนุนหนุนไม่ได้สมมติว่าเขาจะ้จะเงี้ยขายผ้าตัวขาจะแข็งจะประมาหมเขาถ้าเป็นยาามเป็นยาเชื่อร0อยเปอร์เ็น แตเรื่องาว่าเาหลาแย่จะว่าเขาผมเข้าใ จ, จเขาผิดหรือครับถ้าเราถามไปอีกความตงติดนาไม่ดีขึ้ในภาษาอภิธรรมให้คำ น, นิยามไม่กว่าจินโตตืติดติดตั้งปรดีอารัมนาวิธานาตติอัตโผป็ดีอะไรทำนองนั้นน่ะมันเป็นคำนิยามที่ให้อให้แต่สิ่งที่เป็นระบบประาทที่ยึดโยนคนใจในกร น, นีและล่างกายที่มันจะองด้วยเ่นั้น ทไรต่อะไรต่างๆไดเนี่ยเขาไม่ใเป็นผลมาจากคนตายข้มนสมองและระบบประสาทเข้าใจครับมติดเรต้องใจเขาอย่างนี้เพราะว่าอีก่ระบบามิคือมันสมองหรอล้าสมัยไปแล้วที่ียวาเวลาไม่ต้งค้นพบหลักการใหม่แล้ว็นย่ต์บูโรทั้งแล้วเวลาเนี้ยยังมาคุยกันอยู่แม้ล้าลงให้คุณเาย่ังมดคุณนย่อาสตรี่เป็นยาสมัยก็จ้าเขาด้วยแนี้ล้าสมัยมากแลราวาเวลานี้พักฐานแล้วที่จีว่าจิตันสมองเนี่ยเาไปแล้วบรทัแล้ว ที่จะมีใหค้นพบใหม่ถ้อาอำมาเช้ในทางสงความจิตวิทยาและแต่ปริรทเตียซึ่งเป็นประเทศผู้ถิดนิดยมเองยังหวั่นไหวเลยค่ะคือว่าอเมริกาท้านโดยลังน้ตปรมาณูอยู่ลำเลยใช้ระบบโทรกิตี่เสียมันสมองไม่อยาัติอเมริกาพิสูจน์แล้วว่าธรรมชาติปริมนของมนุษย์าเนี่ยยังมีพลังลีลับอนหนึ่งึงยากตัดไปค้นคว้ากาดถึงพลังลีลับอนีนี่เป็าา น, นผู้คอนโทรนคือมันับสมองอีก่ยากันใหม่น รู้หรือลังที่สุดอ่ะ่แล้วก็อคนพนี่อเมริกาเอาไทยปะกวดติดเก่งโคราชิข้ามเขอีกไปเลยบอกโคตรลับเลยไอ้ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องใช่ว่าเป็นยาขัดโคตรลับทายาสามนีนบ้าไปตงแล้วนั่งเข้าสมาธิแล้วก็ให้มากโคิตเสียงบอกโคตรลับข้ามขอีกให้อีกฝ่ายนึนั่งมาธินี่มันจะอมาจอมองแล้วมองมนจะหนักหนันแล้ถ้าอากตัยาหนึ่งลูอ่ บอกนั้นเป็นแรงงานของสมองอ่ะเหล่านั้นครับเป็นแรงงานของมันสมองที่ส่งไปช่วยกำลังไม่ได้ของของของมันสมองเหมือนกับแรงงานไฟฟ้าให้แรงงานไฟฟ้าที่มันเกิดเป็นแางงานเป็นขสงสว่างไม่น่ะไอ้ที่ท่านเกิดมาจากใบสมองที่ตันมันจึงเกิดข่าวใช่ก็ส่งกระแสไฟระฆังาเตียงใจเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าพลังมานเกิดจากไบหน้า คือตองแต่ถ้าเรารู้ว่าพลังของสมองที่ส่งไเต็กระต่ายไฟฟ้าน่เครื่องวิทยาศาสตร์เย้เาจับได้นะที่สุดกล้จับได้ไอพลังที่ส่งไปน่ะหรือวิสัยเร็ดได้เร็ได้ให้คนาจับให้นญาจับได้ไม่รู้ว่าผูเนโคตกอะไรกันบ้างก็ไม่รู้รัดเสียจึงต้องรีบมาคนฟ้าเรื่องนี้เมื่อคนฟ้าเรื่องนี้แล้วก็ถ้กตว่ากลางที่จีของขอมุษย์เในตัวเพาะอมน่เชื่อว่ามีจิตเพาะมาร์ทเกการกัวงให้เกิดไอ้ครั้งจะไม่คน หรือก็ตัวอเมริกาไม่ได้อเมริกามันมเล่นใช้กระแสจิตสงโ ค, ควิดส่งคตรรับโควิดว่ะจะังอเมริกาไอ้ครา้งจะใช้หรือก็เท่ากับว่าฉีตหน้าตัวเองว่ะที่เส้นใสมองเพราะั้นเวล า, น า, น า, า, ย า, ยาเนี้ยสถาบันยาาสตรั่คัวเนียคือไม่เข้าใครเนี่ยออ ก, กาอากาะอวมันรู้จะตอบยังไงก็ตัง้งข้อต่ายดยงบว่ามนกลังรีรับอันหนึ่งซึ่ิยาศาสตร์ ย, ายาัิสุดมไม่ได้กูแค่ น, นี้แต่อเมริกาเขาบอกว่าตรงนีคือกำลังีกระจยิตจูเนื้มันสมองละ หลักการย่อมเขาไม่ว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาบว่าท่านสมองคือจิตนะท่านอกทษาลูบอกว่าไปเรียบฝาไม่รอท่านเข้าแล้วเรียเป็น่แล้วฟือได้แล้วแั่จิบันที่เาดีใหม่หักล้าที่สมปขาดตัวอาตมาที่ยอนเข้าไนั้นแลาวถ้าเขาจะว่าอย่างนี้ถ้าเขาจะว่าอ่าท่านไม่วดนานอะไรนะ้าเขาย้าว่าอาตมาไปอ่้วนถามเขาสมั้นไอ้ว่าไอ้เหมืนแล้วเขาอาจจะ จะไปสุดท้ายจ้ะยางไงได้บ้างท่านน่ะปวดนานคนปวดนานเนี่ยม่โอกาสคิดออกอาอมาะกะรู้จักแตทิดท่านรู้ควนามสิดท่า น, น, า น, นอาจจะมือเหยีผลดีจะการต่อวัดดีเนี่ยคนไหนมือเหตุผลดีย้อนกตนาเช่อาจฝานดีหรือฝันปวดคอาจตายท่าน จะฆ้าในเห็นดังเห็งแดงเห็งแดงแจ้งอะไรก็บอกว่าผู้อนนี้ต้องดีกว่าต้องดีถ้าตาย่ามือเหผลดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นผันาปท่านมีแตันนั้นท่านพูดอย่างมือเหตุผลมากแต่หลักข้อที่ถงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแจ้งเหตหลักข้อที่ขา้ัที่ตัเองไลข้อที่ตี้งนั้นหลักข้อท้าเอาวิดีดีกว่ายวสั่หายเรื่องนี้ก็อบเลยเพราะยับผิดเพนาะไม่ักก็ควรยอมได้แล้วครับ้าใจะลอกไม่ต้องพูดแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนเห เนราะนย่างนี้มันครจะพ่อยจะพ่ายผลล่ะหลังยาศาสขนาดอเมริกาจะรับเชื่อตึงตึงปรมาจารย์่เปีิกยต่าสองชาตมาอ้างแล้วเขาจะไม่เชื่อไปเชื่ออะไรไม่ได้แล้วเหอุยาาสตร์ตีองรับแล้วว่ามีพลังจิตอยู่ในมันสมองเฮ่ยยาศาสตร์พลังจิตคือว่าเจอเจนจีนแต่เจนีน่ใช่ที่ผิดหรอ่าจิตนี้อยู่ในมันสมองเจอนจีนในคนผดคนแรกที่พูดนะพูดเมื่ประมาณกับากว่าปี